อนาปฏิวนันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ823 1. ิภิกษุณีออกปากขอเขามาเพื่อเพราะเหตุผลคืออ า, า 2. พาธ2อภิกษุณีออกปากคออปรัญชาติ 3. ภิกษุณีวิกลจชริต 4. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิขาบทที่7จจบ